เป็นการบรรยายที่คงจะต้องถือว่าพิเศษกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นการบรรยายที่ไม่ได้บรรยายเพื่อการฟังอย่างเดียวแต่จะเป็นการบรรยายให้ท่านได้ปฏิบัติตามได้ด้วยที่เราได้ขึ้นหัวเรื่องว่าการแผ่เมตตาในตุ๊บขัสศาสนาโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยฟังดูเพค่อนข้างจะเป็นเรื่องพื้นพื้นแต่ในทางปฏิบัตินั้นเรื่องนี้มีขอบเขต มีวิธีการที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลละเอียดละออมากก็จะใช้เวลาในแต่ละครั้งเนี่ยในชั่วโมงแรกจะนําให้ท่านได้แผ่เมตตาในแต่ละรูปแบบแต่ละรูปแบบในแต่ละครั้งให้ท่านได้ปฏิบัติไปจนถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอาจจะมีการถามตอบปัญหา หรืออธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะขยักเวลาไ้อีกส่วนหนึ่งให้ท่านได้ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องพูดเพราะนั้นนักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ที่ฟังการบรรยายนี้จงรู้ว่านี่เป็นภาคปฏิบัติท่านผู้ใดที่ไม่อาจจะนั่งรับตาทำสมาธิได้การฟังในที่นี้ก็คงจะเป็นภาวะแห่งความทุกข์ทรมาน ของบางคนแต่ว่าแม้ว่าจะมีบางท่านที่ไม่เคยนั่งหลับตาทําสมาธิเลยโดยประสบการณ์เนี่ยตั้งในแง่ของการฝึกมาเองแล้วก็การฝึกผู้อื่นเราพบว่าถ้าเราฝึกสมาธิจะด้วยวิธีใดก็ตามมีผู้ที่เขามีพลังทางสมาธิ แล้วก็สามารถที่จะจงูงเราไปสู่กระแสสมาธินั้นสมาธิจะเกิดได้ง่ายจะเกิดได้ดีกว่าธรรมดาอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อได้เห็นมานานแล้วอาจจะนั่งคนที่นั่งได้แค่สามสามนาสามนาทีห้านาทีถ้ามีการจูง ก, การนำสมาธิแล้วก็สามารถจะนั่งได้เป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนั้นท่นานผู้ใดที่ไม่เคยทำสมาธิไม่ชอบสมาธิก็ขอให้เลิกเครียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าท่านมาฝึกสมาธิกิจ และสมาธิจิตนี้ไม่ใช่เป็นการฝุกอย่างไม่มีคิดผางหรือเป็นการฝุดอย่างไม่อสามมากหรือไม่รู้จะไปใช้อะไรนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ได้ฝุกแค่ความสงบท่านจะได้ทั้งความสงบแล้วก็ได้ทั้งการเอาพลังความสงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงๆของทุกๆคนได้ดังนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยซึ่งบังเอิญเรานั่งบนเก้าอี้ ถ้าว่าท่านจะนําเอาเทปที่ผมกล่าวนําในโอกาสนี้ไปใช้เองที่บ้านหรือท่านที่ไม่ได้มาฟังการบรรยาย ส, สดถ้าเปิดเทปนี้ฟังอยู่ก็ขอให้ท่านจัดอาสนะหรือจัดสันต์หรือมีศีธนะสันัดคือที่นั่งให้เป็นที่สบายอ่าอาจจะนั่งในอ่องที่ มีอากาศเป็นสัปายะหรืออาจจะนั่งโคนต้นไม้ก็ได้แต่ว่าให้เลือกสถานที่เลือกเทศะให้เป็นที่สบายที่สุดแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวหมายถึงความพร้อมทางร่างกายอาจจะหมายถึงการอาบนาาบ้าอาผ้าการจัดแต่งทางําความสะอาดแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างไปแต่ว่าที่แน่ๆทุกคนควรจะเหมือนกันน็่นคือว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็โปรงใจว่าเรากำลังจะทำสมาธิสำหรับท่านที่นอนอยู่บนเตียงหรือบนเก้าอี้หรืออาจจะเป็นที่ใดก็ได้ท่านก็สามารถจะทำได้หรือท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้จะเป็นในที่ประชุมหรือบนเก้าอี้ทางานท่านก็สามารถจะทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านมีเวลาสัก15นาทีให้ท่านกาหนดไว้ในใจว่าท่านจะทำ15นาที แล้วก็ทำปีผ้านาทีถ้าท่านมีเวลาครึ่งชั่วโมงให้ท่านกําหนดในใจว่าท่านจะทํำครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทําให้ได้ครึ่งชั่วโมงถ้าท่านมีเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ทําให้ได้หนึ่งชั่วโมงพยายามทําให้ได้อย่างที่ท่านตั้งใจแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยในการกระทําครั้งนั้นๆต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านนั่งหลับตา นั่งหลับตาอยู่ในท่าที่ท่านสบายที่สุดท่านผู้ใดไม่ประสงค์จะทําก็ไม่เป็นไรแต่ขอว่าถ้าท่านหวังจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ขอให้ปฏิบัติตามที่ผมบอกกล่าวไปโดยลําดับโดยลําดับเมื่อท่านหลับตาลงแล้วหากว่าท่านปวดท่านเมื่อยท่านก็สามารถที่จะ ให้เปลี่ยนระยะบทได้แต่ขอให้ให้ฝืนท่านิดหนึ่งฝืนมากระว่าอย่าตามใจความรู้สึกมากง่ายว่านึกทันก็จะเกาโดยไม่พิจารณาโดยไม่อแค่ดูรามาจารเลือดอย่างคนขาดสติให้สัมโหนรู้ส ก, ก่อนแล้วก็ดูว่าเราจําเป็นจะต้องทํำไหมถ้าไม่จําเป็นก็อย่าทำํำครับ ถ้าฝืนถ้าข่มได้สักเล็กน้อยก็ฝืนก็ข่มทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเราจะได้ฝึกยืดระยะแล้วฝึกการข่มตัวเองให้อยู่ในภารกิจการงานคือการทำสมาธิให้ได้ยืดมิระยาวนานมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ในโอกาสต่อไปนี้ในครั้งนี้ผมกำลังจะให้ท่านฝึกแผ่เมตตา ในบทแรกที่สุดก็คือเราได้ยินคำว่าเมตตาและการแผ่เมตตามานานบางทีหลายคนจะนึกถึงคำท่องว่าสัพเพสัตตาอเวลาอพยาปาชาอนิคาสุขิอตานังปริหารันตุที่เป็นคำแผ่เมตตาของเราแล้วก็นึกว่าการพูดอย่างนี้เป็นการแผ่เมตตาแล้ว ความจริงเนื้อหาสาระของเมตานั้นเป็นชื่อของความรู้สึกชนิดหนึ่งความรู้สึกอย่างไรที่เรียกว่าเมตตาบางคนก็ไม่เคยเข้าใจถึงความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาเมตตาจริงอยู่เราแปลกันว่าความรักแต่ความรักที่เป็นเมตตาตัวนี้ไม่ใช่เป็นความรักที่ ต้นลักษณะของความยึดถือของความกําหนดของความเห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้ด้วยอํานาจของตัญหาด้วยอํานาจของราคะแต่เมตตาที่เป็นพรมวิหารอย่างที่เรากําลังจะแผ่อยู่นี้เป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เช่นเดียวกับที่เรามีความปรารถนาดีต่อเรานี่เรียกว่าเป็นเมตตาขอให้ท่านลองจับความรู้สึกว่าเมตตาเป็นอย่างไรโดยการนึกถึงตัวท่านเองการแผ่เมตตาท่านจึงให้แผ่ให้กับตัวเองก่อนเนื่องจากว่าคนทุกคนนั้นรักตัวเอง แต่ความรักตัวเองที่เป็นความรักโดยปกติสำหรับทุกคนนะเป็นความยึดถือตัวเองหรือเป็นความเห็นแก่ตัวเนื่องจากว่าเมตตาที่เราจะแผ่ให้คนอื่นเนตานั้นท่านว่าใกล้กับตัณหาคำว่าใกล้กับตัณหาหมายถึง คนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ก่อนจะต้องเป็นบุคคลที่ตัวรักใครจึงมีความหวังดีปรารถนาดีได้โดยง่ายเหตุนั้นท่านจึงให้แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนท่านลองนึกดูสิว่าท่านรักตัวเองหรือไม่และท่านต้องการให้ตัวเอง ได้สิ่งที่น่าพึงใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่หรือไม่ท่านลองสำรวจคนดูว่าสิ่งที่ท่านกำลังปรารถนาต้องการที่สุดที่ท่านต้องการจะให้ตัวเองได้คืออะไรในขณะนี้จะเป็นอะไ ร, ระกร็ตามท่านลองนึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็นึก อธิษฐานเล่นนึกให้พรแก่ตัวเองนึกทำความปรารถนาแกตัวเองว่าขอให้ท่านได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขอให้แต่ละคนนึกเอาเองซึ่งไม่ยากเพราะในขณะนี้ไม่มีใครคนไม่พบว่ตัวเองต้องการอะไรจะเป็นเรื่องของทางวัตถุหรือเป็นเรื่องอะไรก็ได้ดังนั้น หรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเรื่องของจริยธรรมเรื่องของมนโนธรรมเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ท่านต้องการท่านลองนึกถึงความประสงคอันนั้นแล้วก็อธิษฐานแผ่ความสำเร็จอวยพรให้ตัวเองว่าขอให ท่านจงได้สำเร็จสิ่งนี้ขอให้สิ่งนี้สิ่งนี้จงสำเร็จแก่เราเถิดจงสำเร็จแก่เราโดยเร็วจงสำเร็จแก่เราโดยง่ายจงสำเร็จแก่เราโดยครบทั่วครบท่วนจงสำเร็จแก่เราอย่าง กันอย่างดีที่สุดจงสำเร็จแก่เราอย่างยั่งยืนและขอให้เราได้รับประโยชน์จากความสำเร็จนั้นอย่างเต็มที่ขอให้นึกถึงสิ่งต้องการอันนั้นแล้วก็ให้พรแก่ตัวเอง อทีฐานจิตให้แก่ตัวเองความรู้สึกที่ชุ่มเย็นที่สงบนิ่งที่จริงจังจริงใจกับตัวเองอันเนิ่งด้วยความสำเร็จ น, น, นั่นแหละคือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองในในส่วนหนึ่ง หรือสิ่งที่ท่านไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเดือดร้อนความทุกข์ยากความลำบากใดๆที่กำลังปรากฏแก่ชีวิตของท่านในขณะนี้จะเป็นปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาแล้วก็ตาม ท่านก็จงนึกถึงสิ่งที่เด่นที่สุดอันนั้นที่ท่านไม่ปรารถนายัางชัดเจนจริงใจแล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาว่าขอให้ข้าพเจ้าจงค้นจากอุปสรรคข้อขัดข้องอุบัติอันตรายสิ่งชั่วร้ายนี้โดยเร็ว โดยง่ายโดยเด็ดขาดเถิอขอให้นึกแผ่อธิษฐานอย่างชัดเจนและจริงใจชีวิตของแต่ละคนความต้องการของแต่ละ คำปรารถนาของแต่ละคนทุกคนก็เหมือนกันปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามและปฏิเสธสิ่งที่ชั่วร้ายตามการกำหนดหมายและการตีค่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน เมื่อท่านแผ่ให้กับตัวเองจนได้ความรู้สึกที่สงบเย็นที่จริงใจแล้วยิ่งแผ่นานความรู้สึกของท่านก็จะดิ่งลึกเกิดเมตตาเกิดความสงบระงับและเมื่อท่านนึกถึงบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่ควรจะนึกถึงก่อนนั้น ขอให้นึกถึงคนที่ท่านรักท่านเคารพนับถือ <c oughs> อย่างมากที่สุดท่านห่วงใยเข้ามากที่สุด <c oughs> เป็นลำดับต่อจากท่าน <c oughs> อาจจะเป็นบุตรของท่านมารดาหรือบิดาผู้มีพระคุณหรือครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่ท่านนึกได้ก่อน ในขณะนี้ขอให้ท่านนึกถึงเขาถ้าท่านรู้ความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรยิ่งดีถ้าท่านรู้ความไม่ต้องการของเขาอุปสรรคในชีวิตของเขายิ่งดีขอให้ท่านให้พรเขาในใจสัมด็จความปรารถนาดี อธิษฐานให้เขาในใจว่าสิ่งที่เขาต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้สำเร็จขอให้สาเร็จส่งจิตพวกเปลี่ยนไปถึงบุคคล น, นั้นแล้วแล้วเหล่าๆใส่ความรู้สึกไปในบุคคล น, นั้นด้วยความปรารถนาดีแล้วแล้วเหล่าๆ ก็จะสังเกตได้ว่าความรู้สึกของท่านที่ท่านแผ่ความประสงค์ให้กับตัวเองและคนที่ท่านเคารพนับถือรักใคร่มากที่สุดหวงงยัยมากที่สุดที่ให้ท่านลองนึกถึงในขณะนี้ความรู้สึกของท่านจะสงบและปรารถนาดีจริงๆไม่ได้เสแสร้งทำเลย ถ้าสมาธิท่านลึกยิ่งกว่านี้จิตท่านสงบระงับยิ่งกว่านี้ถ้าท่านแผ่ต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงพลังของความปรารถนาดีนี้จะบริสุทธิ์มากขึ้นละเอียดอ่อนมากขึ้นและท่านจะรู้สึกได้ว่าเกิดพลังหรือไม่เกิดพลังขึ้นได้ด้วยคือสามารถจะอย่างรู้ผลได้ด้วย ความรู้สึกของตัวท่านเองบอกตัวท่านเองหรือที่สูดได้เมื่อท่านไปพบปักบุคคล น, นั้นหรือบุคคล น, นั้นสแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ท่านรู้สึกได้ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีงามต่อกันนี่แหละคือเมตตาจิตขอให้ท่านเข้าใจว่าความรู้สึกอย่างนี้มีอยากมีละเอียด ในขณะนี้ท่านบางท่านอาจจะเกิดเมตตาละเอียดเลยทีเดียวเพราะสมาธิท่านละเอียดก็ดีหรือเพราะว่าท่านเป็นคนมีเมตตาจริตอยู่แล้วเป็นคนรักใคร่คนอื่นจริงใจต่อบุคคลอื่นโดยไม่เลือกหน้าอยู่แล้วท่านก็จะแผ่เมตตาได้ง่ายเกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้ง่ายแต่คนที่ เป็นคนโทสะจริตหรือเป็นคนมีลักษณะขัดแยง้งหรือคนที่มีปัญหาทางความคิดก็อาจจะยังเกิดความรู้สึกได้โดยยากหรือเกิดโดยยาบที่ให้ท่านกำหนดจิตโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็เพียงเพื่อให้ท่านรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเมตตาจิต เท่านั้นก่อนนี่แหละคือเมตตาจิตเมื่อท่านขยายความรู้สึกนี้ให้ิ่งลึกยิ่งขึ้นแผ่ออกไปยังบุคคลอื่นโดยพ้นข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรักน้อยหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่รักไม่ชังคือคนปานกลาง หรือไปสู่คนที่ท่านเกลียดเล็กน้อยหรือแผ่ไปยังคนที่ท่านเกลียดอย่างมากที่เป็นคู่เวนกันถ้าความรู้สึกนี้ท่านไม่สะทกสะทานนั่นหมายความว่าเมตตาของท่านประสบความสำเร็จคือสามารถที่จะถอนพรมแดนของความรักด้วยเมตตาจิตที่มีต่อบุคคลอื่นได้อย่างดี ท่านลองนึกถึงคนที่ท่านเกลียดไปสิในขณะ น, นี้นึกถึงคนที่ท่านเกลียดจะเกลียดด้วยเหตุว่าเขาเป็นคนไม่ดีท่านเป็นคนดีหรือจะเกลียดเพราะว่าท่านเป็นฝ่ายผิดเขาเป็นฝ่ายถูกแต่ท่านนึกว่าท่านถูกนึกว่าเขาผิดก็ดีหรือจะเป็นเพราะว่าเขาก็าไม่ดีท่านก็ไม่ดี ในเรื่องนั้นในจุดนั้นจึงก่อให้เกิดความขัดแยง้งการวิวาดแล้วก็เกลียดกันหรือท่านจะเกลียดเขาข้างเดียวหรือเขาจะเกลียดท่านข้างเดียวประตานลองนึกถึงคนเกลียดที่สุดดูท่านก็จะรู้สึกว่าเมตตาชง น, นัคนที่ไม่มีคนเกลียดเลยนั้น คงไม่มีอย่างน้อยก็มีคนที่เกลียดบางครั้งบางเรา่าในขณะที่ท่านโกรธใครในบางครั้งบางคราาก็ถือว่าเป็นความเกลียดชังชั่วการาดตอนที่ท่านโกรธเขาในขณะนั้นท่านจะพูดดีๆยังทำได้โดยยากจะป่วยกล่าวไปใหญ่เึงการส่งความปรารถนาดีอวยพรเขาด้วยความจริงใจ นี่แหละคือจิตที่ไม่เป็นเมตตาท่านก็ลองเทียบความรู้สึกนี้ดูว่าเมื่อจิตท่านเป็นเมตตากับเมื่อจิตของท่านเป็นโทสะไม่มีเมตตาอันไหนให้ประโยชน์แก่ความรู้สึกนึกคิดของท่านดีกว่ากันนี่คือการวัดอุณหภูมในจิตของเรา แล้วก็ที่จริงเราสามารถที่จะวัดผลได้ในทางกายภาพในทางความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆได้โดยเช่นเดียวกันขณะ น, นี้ท่านกำลังทำความรู้จักกับเมตตาและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมตตาให้ท่านตอบตัวท่านเองว่าท่านรู้แล้วใช่ไหม ท่านรู้แล้วเห็นแล้วว่าสองอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันและมีผลต่อความผาสุกในใจของท่านแตกต่างกันด้วยนี่คือตัวเมตตาท่นนี้คำว่าการแผ่โบราณใช้คาว่าแผ่ภาษาบาลีใช้คำว่าพรริตตวา แปลว่าแพลแพรคืออะไรขอให้ท่านหลับตาและนึกตามที่ผมจะอธิบายและอลองทำใจตามไปด้วยคำว่าการแผลหมายถึงการส่งความคิดของเราไปถึงคนนั้นคนนี้ เราส่งความปรารถนาดีหรือหรือพูดง่ายๆว่าคิดถึงใครด้วยความปรารถนาอันเป็นเมตตาที่เราได้รู้จักแล้วเมื่อสักครู่นี้นั้นคือการแผ่เมตตาจะเรียกว่าแผ่หรือจะเรียกว่าส่งหรือจะเรียกว่านึกถึงด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็คือการแผ่เมตตานึกถึงตัวเอง ก็คือการแผ่เมตตาให้ตัวเองนึกถึงบุคคลอื่นอยู่ใกล้ก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนอยู่ใกล้นั้นถ้าเราแ ผ, แผ่ความคิดนี้หรือส่งความคิดนี้ไปถึงคนอยู่ไกลก็คือการแผ่เมตตาไปในระยะไกลถ้าท่านนึกถึงคนเป็นอันมาก ด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็คือการแผ่เมตตาในลักษณะปกแผ่แผ่ครอบคลุมปกแผ่อันนี้จะถือว่ามีพลังมากท่านลองนึกตามไปด้วยว่านี่แหละเขาเรียกว่าการแผ่เมตตาเป็นอย่างนี้นึกถึงตัวเองคือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองนั่นเองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านหรืออยู่ในห้องนี้ ก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนอยู่ไกลขยายความคิดออกไปถึงคนที่อยู่ไกลจกโดยรู้รู้ไมยถึงรู้ว่าคนที่เรานึกถึงคนหนึ่งเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาอยู่ที่ต่างจังหวัด น, นั่นเป็นเมตตาที่แผ่กว้างไกลออกไปลึกถึงเทวดา ที่อยู่ในสุขติโลกสวรรค์ก็คือการแผ่เมตตาไปถึงสวรรค์ส่วนจะไปถึงได้อย่างไรนั้นเราจะได้พูดกันในโอกาสางังลต่อไปนี่แหละคือการแผ่อย่าสับสนหรืออย่าสงสัยว่าการแผ่เมตตาจิตคือทําอย่างไรก็ขอให้รู้ว่คือการไม่ถึง แต่ว่าอาการนึกถึงอาการนึกถึงนี้อาจจะมีอาการหรือมีประการที่วิกิพิษดานแตกต่างกันไปตามวิธีการของการแผ่ดังที่เราจะได้เอามาฝึกกันเป็นหลากหลายในการแผ่เมตตานี้โดยลำดับทักๆักไป คนที่มีสมาธิอิตดีอาการของการแผแลหรือการนึกถึงนั้นจะมีสภาพที่เหมือนตัวเองเล่นกีฬาทางจิตยกตัวอย่างเช่นถ้าคนสมาธิอิตดีเมื่อนึกถึงคนใดคนหนึ่งหรือมากคนหรือสัพรพะสัตว์ทั่วไปทั้งโลก ทั้งจักรวาลจะมีความรู้สึกว่ามีไข่พุ่งออกไปจากจิตของตัวหรือมีความรู้สึกเหมือนมีพลังลมอันละเอียดละเมียดละไมขยายตีแผ่ออกไปจากตัวเองและสามารถที่จะพลิกแปลงความรู้สึกที่เป็นอาการเหล่านี้ให้เกิดพลังทางเมตตาอย่างอัศจรรย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังในทางการป้องกันภัยหรือแม้แต่พลังที่จะเรียกบุคคลนั้นมาพบมาหาหรือทำให้บุคคลนั้นละลึกถึงเราหรือเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนั้นที่ไม่เข้าใจกันกับเราให้เข้าใจกันสามารถที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้เป็นความแยบยนของการแผ่เมตตา ที่มีพิสดารหลากหลายออกไปในที่มีนั้นจะให้ท่านลองนึกเป็นอย่างๆไปเผื่อว่าใครที่ทำได้ในขณะไหนอย่างไรให้ทำอย่างนั้นก่อนทำได้สองอย่างก็ให้ทำสองอย่างก่อนทำได้สามอย่างก็ให้ทำสามอย่างถ้าใครสามารถจะทำ อาการนึกถึงหรือแผ่เมตตาด้วยอาการลหลายๆอย่างหลากหลายก็ยิ่งเป็นการดีขอให้ลองนึกแผ่ดังจะอธิบายดังต่อไปนี้เมื่อท่านหลับตาอยู่นั่งอยู่ในท่าสบายๆหลับตาอยู่ท่านที่ใหม่กับการทำสมาธิถึงว่าจิตท่านจะสับสน ไม่เกิดเมตตาไม่เกิดประการ้องการแผ่เมตตาดังที่จะได้บอกบอไปนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้ท่านหลักตาและลองฝึกทำความเข้าใจคือให้ทำความเข้าใจด้วยการลองทำถึงจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนท่านก็ต้องได้ความเข้าใจไปบ้างไม่มากก็น้อย อย่าละเลยและอย่านึกว่าท่านทานไม่ได้อะไรเลยการแผ่เมตตาอย่างง่ายที่สุดตรงนี้นะเป็นทั้งอย่างง่ายและอย่างยากที่สุดด้วยที่ท่านเรียกว่าเมตตามาโนกรรมคือเมื่อเจอใครก็ทำความรู้สึกนึกระนึกถึงใครก็ทำความรู้สึกนึกระ เห็นว่าเรานั่งอยู่ในเวลาใดเวลาหนึง่งก็ให้นึกรักเมื่อนึกถึงคนนั้นเห็นใครเดินสูนทางมาก็ให้รับ นี้แล้วก็ให้หัดนึกครับอย่างนี้เป็นการแผ่เมตตาอย่างง่ายคนที่มีอุปนิสัยทางเมตตาจะเป็นพระหรือจะเป็นคนอย่างเราๆจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ อ, อไม่ได้ฝึกทางนี้มาก็อาจจะเกิดความรู้สึกได้ยากและไม่เห็นสาระร ก, ก็ได้ ให้นึกว่าเราลอกขัดฝึกมีเป็นเป็นเบื้องต้นเป็นการแผยอย่างง่ายๆเบื้องต้นถ้าท่านจะถามว่าแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกนึกรับอย่างไรนั่นน่ะถ้าท่านฝึกไปเรื่อยท่านก็จะมีแง่มุมเห็นเราเห็นคนจะลาเราก็นึกรับเห็นคนเอ่อมันนอกงงๆเราก็นึกเอ็นดูนึกรับ มันมีแง่มีมุมที่จะทำให้นึกรักถ้าเราโยนิโสมาสิกานดีในัการนึกอย่างนี้สำหรับคนที่มีเมตตาเป็นเจ้าเรือนคือบรรลุความสำเร็จของเมตตาแล้วจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอโดยไม่ต้องฝืนโดยไม่ต้องตรงต่เช่นพระอระหันต์เห็นใครก็นึกรักไปหมดไม่เลือกหน้า หรือคนแผ่เมตตาจนได้การที่เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตท่านเหล่านี้จะนึกถึงใครเดินสวนทางกับใครหรือแม้แต่มีสัตว์มาไต่มาตอมมากระโมยของบริพุกก็นึกเย็นดูนอย่างนี้แหละเมตตาเข้ากระดูกดบและคนพวกนี้ มีพลังเมตตาสูงเช่นสังฆราชใก่เทีอนหรือสังฆราชวัดครับสัปปะคือไก่ป่ า, ปาเห็นแล้วก็รับท่านเข้ามาพูนเปลี่ยนอยู่ใกลท่านอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นความสําเร็จของเมตตาแล้วก็มีพลังมากด้วยสําหรับเรานั้น ยังไม่ถึงขั้นความเสร็จเราก็ฝุดขัดขั้นเหตุก่ะนกได้บางไม่ได้บางได้มากได้ร้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หวรครับมีเป็นการแพอย่างง่ายที่สุดขอให้ท่านลองนึกตามไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคือ ให้พรหรือการอวยพรในใจเห็นคนเขาหาของขายเราเห็นแล้วก็นึกรักนึกสงสารนึกเขินใจว่าเขาต้องลําบากต้องมาหาขนมขายหาตัวต้มขายวันๆจะได้กำไรเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการตั้งยโยนิโสคิดแล้วก็อวยพรให้เขา อวยพรให้เขาอย่างเป็นกิจกลักษณะคือการอวยพรในใ จ, จอยออ่าอวยพรอาจจะเปในส่วนการขายหรืออวยพรเลยไปถึงครอบครัวเลยไปถึงอนาคตในชีวิตเขาที่ท่านคิดได้ท่านปรารถนาจะให้เขาบขาอวยพรในใจ ถ้าท่านมีโอกาสพูดกับเขาท่านก็อาจจะกล่าวอวยพรตามสมควรนี่ก็เป็นเมตตาที่เดี๋ยวะออกมาในโลกของการให้พอรอย่างไม่ง่ายให้พรเฉพาะคนหรือให้พรเป็นกลุ่มก็ได้แล้วแต่สถานการณ์อีกอย่างหนึ่งคือการอาธิษฐานจิต การอธิษฐานหรือการตั้งสัตย์ให้เช่นเราพบคนที่กำลังประสบอุบัติเหตุกำลังได้รับทุกขเวทนาข้างทางที่เราเดินทางไปดึงหรือไปเยี่ยมคนป่วย ที่กำลังได้รับทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของเขานั้นเราไม่แค่ญาติเราอาจจะไม่รู้จักเราแค่รักเขาไม่พอแค่อวยพรเขาไม่พอถ้าเราตั้งจิตอธิฐานก็คืออธิษฐานด้วยสัจจวา ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ช่วงระยะเวลาเท่านั้นตอนนี้หรือเมื่อเช้าได้ทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือได้ทําความดีซึ่งเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของเขาเช่นเราเห็นคนเจ็บป่วยแล้วเราเลิกได้ว่าเราชอบทําบุญเครื่องยาชอบช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคยาหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือแม้แต่คนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาล ท, ที่ได้ทำกิจอันนี้มาซึ่งเหล่านี้เป็นพลังที่ท่านมีอยู่ให้ท่านตั้งสร้งสัตสั้งสั ต, สต์แผ่ความปรารถนาดีให้เขาที่เจ็บปวดหายเจ็บปวดหรือทุราความเจ็บปวดที่เป็นแผลให้หายแผล เป็นโรคให้หายโรคที่กําลังหาหมอได้พบหมอกําลังหายาได้พบยาที่ถูกต้องสร้างศัตรอย่างนี้ส่วนผลจะเกิดจริงหรือไม่ไม่สําคัญหน้าที่ของท่านท่านจะทําเมตตาให้แรงขึ้นมากขึ้นต้องออกแรงลงทุนแผ่เมตตาให้เข้มข้นด้วยลักษณะของการอธิษฐานอย่างนี้ จะเป็นใครไม่ว่าท่านจะบอกให้เขารู้ได้หรือไม่อ่ะสามารถที่จะบอกให้เขารู้ได้ในขณะนี้ท่านลองนึกดูสินึกถึงใครสักคนที่ท่านเมตตาสงสารอย่างจับใจในขณะนี้เป็นทุนอยู่อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่รักของท่านป่วย จะเป็นใครท่กคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รักของท่านกำลังได้รับความทุกข์ใจประสบปัญหาชีวิตปัญหาหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านนึกถึงเขาและตั้งสัตย์แพ่ความปรารถนาดีให้เขาถ้าท่านเมตตาเขามากท่านก็ทำาบ่อย การทำอย่างนี้บางทีคนที่ป่วยทางจิตท่านก็อาจจะทําให้ก็หายจากการป่วยทางจิตได้ด้วยการาตรั้งขับอธิษฐานจิตอย่างนี้ความดีของท่านมีอยู่ที่ท่านมั่นใจท่านแน่ใจท่านสามารถอ้างเป็นสัจจะอธิษฐานแผ่ให้กับบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้ลองนึกด ลองอธิษฐานดูมีเป็นเพียงการทำความรู้จักถึงวิธีการแผ่ที่ปฏิบัติการทำกันตามกติกของพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งคือการแผ่ส่วนบุญที่เราเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลหรือปฏิทา น, นใหม่ เพราะว่าตัวเมตตาเนี่ยในตัวมันเองมันเป็นแค่ความรักความรักที่ออกมาทางใจเท่านั้นเป็นเมตตามโนกรรมัมถ้าออกมาทางวาจาใช้วาจาเป็นเครื่องแสดงออกเรียกเมตตาวจีกรรมเมตตาที่แสดงออกทางกาย ด้วยการยิมแย้มแจ่มใสหรือแสดงสีหน้ารักใคร่ให้ปรากฏหรือการขวนขวายในกิจช่วยเหลือผู้นั้นเรียกว่าเมตตากายกรรมอาจจะให้หรือแบ่งปันสิ่งของบุญ น, นั้นเป็นเครื่องแสดงเมตตาอย่างหนึ่งการให้ส่วนบุญจึเป็นรูปหนึ่งของการแผ่เมตตา ในขณะนี้ขอให้ท่านลองแผ่เมตตาด้วยการทรงบุญให้ดูท่านได้ทำบุญมาแล้วแม้แต่บุญที่ท่านได้ทำในขณะนี้คือการฟังธรรมและการฝึกสมาธิจิตเป็นบุญ ชั้นสูงเสีย ด, ด้วยนี่ก็เป็นบุญที่สามารถแผ่ได้หรือเป็นบุญที่ท่านได้ทำมาก่อนหน้านี้สดสดร้อนๆ้อนคือการใส่บาตการได้ช่วยเหลือคนเป็นกรณีบุญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นบุญที่เป็นก่อบเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวเช่นท่านอาจจะได้บวชมาหนึ่งพันษาบวช อย่างผู้มีศีลฝึกสมาธิและฝึกวิปัสสนาซึ่งเหล่านี้เป็นพลังเป็นสิ่งที่ท่านเอามาเป็นเครื่องใช้ทำให้เมตตาท่านมีพลังเกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นท่านแผ่เมตตาให้กับคนแม้ที่เป็นอยู่ก็สามารถทำได้ โดยที่ท่านอาจจะไม่ได้พบเขาหรือพบเขาแล้วก็บอกยกบุญให้ให้เขามีส่วนในบุญของท่านหรือถ้าไม่ได้พบเขาเราก็แผ่บุญไปให้ในใจแม้ว่ายังไม่ตายเราก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเขาจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเพราะนี่เป็นการแผ่เมตตาจะทําให้พลังของเมตตานั้นแรงยิ่งขึ้นเหมือนกับ เราแสดงความปรารถนาดีหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่พอเขาขัดสนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราให้เขาไม่ได้แสดงว่าเมตตาเราน้อยหรือไม่ได้ขวนขวายจะให้อะไรนอกจากแสดงความรักเท่านั้นเมตตาเราก็มีกำลังน้อยแต่ถ้าเราขวนขวายหรือสามารถจะให้อะไรบางอย่างได้ด้วยแม่ในสิ่งที่ให้ได้ยากนั่น เป็นเมตตาที่มีกํำลังมากเมื่อเมตตามีกําลังมากาผลอันนสาสรย์ก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เราแผ่เมตตาให้ด้วยอด้วยวิธีนี้คือวิธีแบ่งบุญให้ถ้าเป็นคนที่ตายไปแล้วหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง ที่ใดที่หนึ่งเ อ, อเรื่องนี้น่ะมีความสําคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเราจะได้คัดเอามาเป็นบทสดแจกเฉพาะในภายหลังต่อไปเอเช่น ว, ว่าเราจะไปสมัครทํางานในที่ใดที่หนึ่งหรือเราจะไปติดต่อการ ง, งานในที่ใดที่หนึ่งเราทําบุญใส่บาทแล้วก็บุติศุกสนให้ แผ่เมตตาให้ก่อนหน้าที่จะมาหรือเมื่อเดินทางมาถึงมานั่งสมาีิอธิฐานเรื่องบนแผลให้แล้วก็ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์โดยธรรมโดยไม่ลบคิดแต่จะได้ไทายเดียวก็สามารถที่จะทำให้เกิดผลประหลาดขึ้นได้หรือว่าเราไปอยู่ในที่ที่มีคนตายยกกรอย่างขช่นปา่าช้าขออนุญาตเล่าประกอบ แล้วขอให้ท่านฟังด้วยสมาธิท่านอาจจะนึกถึงสภาพอย่างนี้ในประสบการณ์ท่านแล้วก็ลองแผ่บุญไปด้วยก็ได้คืออย่างการมีเช่น อ, อาจารย์คนหนึ่งท่านอยู่มอะไรเกษตรแล ะ, ะแลท่านก็ทำภารกิจอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแหล่งน้าซึ่งก็ถือเป็นบุญแล้วก็ท่านก็ไปกลางเต็นทค้าง ที่หนอยู่ที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเขตป่าช้าโดยที่ท่านไม่รู้เสร็จแล้วก็กังคืนเนี้ยก็มีพวกโอปอริกาคือพวกผีพวกเปรตมากันเข้าแถวมาขอน้ำโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้คนรนึกว่าผีก็ทำใจดีช่วยเสือๆๆให้บางตัวก็โดนพันธนาการขาพันธนาการมือเดินมอเขีกันมา เมือมาขอน้ำท่านสอน้ำเนี่ยเทกับพื้นแล้วมันก็ดูดกินแล้วกินแล้วก็ถอยออกไปเข้าแถวเรียบร้อยตนแล้วตนเล่าตนแล้วตนเล่านี่ออย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นการกระทําที่สมบูรณ์นะเพราะว่าท่านเองก็ไม่เข้าใจอะไรมากมานี้อ่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านได้เจอมาแล้วก็มาคุยกับผมเมื่อสักห้าหกวันมานี้นิดกรณีอย่างนี้เพะว่ากรณีของท่านอาจารย์คนนี้ าอาจารย์ทักกุนเรนียท่านทำบุญในทางสร้างแหล่งน้ำมาเยอะพวก อ, อคนทุกคนเดือดร้อนผู้ผีปีศาจที่เขาเดือ ด, ดร้อนก็เหมือนคนเขารู้ว่าถ้าเรื่องนี้ต้องไปขอความช่ยวยเหลือคนนี้ก็คนนี้มีพลังมีอํานาจที่จะให้ในเรื่องนี้ได้เขาก็ไปขอคนนั้น อ, อฉันใดก็จฉันนั้นพวกนี้ก็เหมือนกันเขาก็มาขอท่านก็เทให้แล้วก็อิ่มน้ำสำลักกลับกันไป นี่ก็เป็นประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ที่รู้หรือปฏิบัติอังนี้ตามแบบอย่างทางศาสนาอันนี้เป็นการอุทิศบุญไทยเพราะฉะนั้นเราจึงเคยได้ยินว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ใดแล้วก็มีเรื่องราวป ร, ประหลาดเกิดขึ้นตำนองอย่างนี้เราก็จะสอนในแ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะะ คือแผลแม่ตารู้ทิศบุญสลก็มีผลทางมิจฉาภัณฑ์ทให้พ้นจากเรื่องราวแปลกเหล่านี้ได้อันนี้เป็นเป็นการแผลอนหนึ่งโดยอาศัยบนเป็นถือเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องให้อีกอันหนึ่งนั้ น, น, นคื อ, ก า, อการให้สิ่งของการให้สิ่งของที่ท่านก็ได้สอนไว้ว่าเวลาที่เราแผ่ ความปรารถนาและให้สิ่งของด้วยเนี่ยสิ่งของเป็นเครื่องช่วยถ้าเราแผลในใจเนี่ยบางทีเขาอาจจะเข้าถึงความปรารถนาดีเราได้น้อยแต่ถ้าเราให้สิ่งของด้วยแผลเมตตาด้วยสิ่งของที่เราให้นั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรับทราบในเมตตาเราได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มีคือการแบ่งปันสิ่งของดังนั้นในคำพีจึงกล่าวว่าเมื่อเรามีความอาฆาตเคียดแค้นกับบุคคลใดเนี่ยวิถียนหนึ่งก็ที่จะทําให้เกิดความรักต่อกันก็คือการให้สิ่งของแบ่งปันด้วยเมตตามีเป็นเป็นการใช้สื่อต่างๆแต่ว่าเวลาที่คน นึกถึงบุคคลที่เราจะแผ่เมตตาและจะด้วยให้อะไรให้แค่ความรักหรือด้วยอธิษฐานหรือให้บุญหรือกล่าวคำเป็นที่ชอบใจก็ดีกล่าวคำโอยพรก็ดีถ้าคนนั้นฝึกสมาธิได้ดีเมตตาจะเกิดผลอย่างรุนแรงแนี่ว่า ถ้าหากว่าท่านเคยนั่งสมาธิและเคยแผ่เมตตาท่านลองนึกซิว่าเมื่อท่านแผ่เมตตาออกไปในขณะที่ท่านหลับตาหรือแม้จะไปเดินสวนทางไกลกระตาท่านแผ่แล้วท่านมีอาการทางกิดอย่างไรบางคนนั้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็แผ่เมตตาคลุบไปกระโลมายัน เมื่อจะแผ่เมตตาให้กับใครก็หายใจออกเกิดมโนภาพเกิดนิมิตในลมหายใจว่าพุ่งกระจายไปสู่บุคคล น, นั้นหรือบุคคลกลุ่มนั้นแล้วก็ทําความรู้สึกว่าเมตตานั้นอาศัยลมหายใจเป็นสือ่อพุ่งไปถึงบุคคล น, นั้น ใจออกไปหาเขาหายใจเข้านำมิตรภาพมาสู่เราหายใจออกมิตรภาพเราไปสู่เขาไปถึงเขาหายใจเข้ามิตรภาพของเขามาสู่เราอันนี้เป็นหลักง่ายๆหรือว่าถ้าจะแผ่เมตตาเพื่อความสาเร็จอะไรบางอย่างลมหายใจก็ออกนั้นเป็นการเรียกร้องแล้วก็หายใจเข้าเป็นสิ่งนำสิ่งเรา เราต้องการประสานผลประโยชน์กลับมาหาเราแล้วก็แล้วก็แผลหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นานเท่านานเท่าที่เราต้องการจะทําหรือเท่าที่เราสามารถจะทําได้บางคนทําได้อย่างนี้แสดงว่าสมาธิอีกดีก็อาศัยนิมิตเป็นเครื่องช่วยส่งเมตตา ไปถึงบุคคลนะั้นด้วยลมหายใจของตัวถ้าบางคนแผ่เมตตาออกไปเช่นแผ่ไปถึงบุคคลใดไอทิศทางของการแผ่ว่าเราแผ่ไปในมุมโดยตรงพุ่งไปถึงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เ, เมื่อหลับตาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า ไอ้กระแสลมในตัวของเราเนี่ยวนอู้ไปสู่บุคคลนั้นเหมือนมีกระแสลมอันเอิบอาบ พ, พุ่งจากตัวเราไปสู่บุคคลนั้นพุ่งไปพุ่งไปอย่างเดียวก็ได้หรือบางครั้งก็อาจจะแผ่นลักษณะวนรอบคือกระแสในตัวเนี่ยวนรอบ รอบไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับเปรี้วขวัญหรือเหมือนกับหมอกที่เคลื่นออกไปจากตัวเหลาแพร์อ อ, ออกไปออกไปออกไปออกไปแพรครอบคลุมพื้นที่แพ่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลถ้าเรามีความรู้สึกว่ากระแสนั้นเย็นกระแสนั้นละเอียดละเมียดละไมเท่าไหร่คนที่มีประสบการณ์กับการแผ่เมตตา อยู่แล้วจะรู้ว่ามีพลังและมีผลต่อความสาเร็จไม่ว่าจะแผ่ประสานผลประโยชน์กันหรือไม่ว่าจะแผ่เพื่อช่วยเหลือเขาหรือไม่ว่าจะแผ่เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลหรือสิ่งของทรัพย์สินของเราก็ตามอันนี้จะมีผลมีพลังมาก แผ่ไปทั่วทั้งโลกหรือแผ่ไปทั่วทุกภูมิทั่วทุกพิษทางก็ได้คนที่ฝึกสมาธิไม่ถึงนั้นอาจจะไม่เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนหรือทําไม่ได้ก็อาจจะต้องสร้างมโนภาพสร้างมโนภาพเอาเองเป็นเครื่องช่วยไปก่อนถ้าเรานั่งแผ่เมตตาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ทําอย่างนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสิบนาทีห้านาที จะนั่งบนเครื่องบินก็ได้จะนั่งในรถก็ได้หรือจะอยู่ในในที่ใดที่หนึ่งก็ได้เราก็แผ่พลังอันนี้ออกไปบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีกระแสพุ่งออกไปจากตัวกระแสนี้อาจจะเป็นกระแสต่างๆกันแล้วแต่ใครจะเห็นเป็นอย่างไรหรือรู้สึกเป็นอย่างไร แล้วก็แผ่กระแสหมุนวนไปโดยรอบหมุนวนไปโดยรอบตัวในลักษณะวนเร็ววนช้าดได้ทั้งนั้นอันนั้นก็เป็นวิธีการห น, นึ่งซึ่งอาจจะปฏิบัติได้พอบางคนที่ทำได้คนดีแต่ว่าถ้าเป็นอย่างง่ายที่สุดเนี่ยอย่างง่ายที่สุดที่ทุกคนทาได้ก็คือ เมื่อเราหลับตาแล้วก็ส่งความคิดไปรอบๆเหมือนเราส่งความคิดไปรอบๆตัวเราขยายพื้นที่ออกไปขยายรักษมีวงกลมโดยรอบออกไปไกลออกไปออกไปนีออป่เรียกว่าเป็นการแผ่แบบไม่จอดจบยังไม่มีที่สิ้นสุดอ่า อย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทุกคนนะหรื อ, อถ้าเราทำเฉพาะกลุ่มเฉพาะบคุคคลก็ก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันคือทำความรู้สึกออกไปโดยลำดับเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะสร้างภาพบางครั้งเนี่ยคือถ้าหากว่าเราจะฝึกแผนจริงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องทาแบบนั้นแบบนี้พิกแปลงไปเป็นต่างๆกันเช่นว่าเราต้องการจะแผล ให้กับใครคนหนึ่งที่เราห่วงอาจจะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านและเราเองไปเข้าวิกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งหรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะตาเมื่อเกิดความเป็นห่วงขึ้นมานก็เมื่อหลับตาก็ทําความรู้สึกว่าเหมือนเราเดินทางกลับไปสู่ที่นั้นเข้าไปที่บ้านไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไปส่งพลัง อยู่ที่หน้าบ้านไปยืนแผ่พลังเห็นอาจจะยกมือหรืออาจจะแค่ว่าเราไปเดินรอบๆรั้วบ้านเดินไปแล้วก็แผ่เมตตาไปอธิษฐานจิตไปรอบๆบ้านหรืออาจจะไปนั่งอยู่ที่หัวเตียงของคนนั้นหรืออาจจะไปนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของคนนั้น ถ้าตรงนี้นะถ้าหากว่าคนที่ถอดกายทิพย์ได้ไปได้อย่างนั้นจริงๆแต่เราทำไม่ได้เราสร้างภาพคนจะถอดกายทิพย์ได้เขาก็สร้างภาพอย่างนี้ท่านลองนึกดูนะสมมติว่าท่านนั่งอยู่นี่ท่านเป็นห่วงเป็นใหญ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านรักอาจจะนึกได้ว่าเออบ้านเราลืมปิดประตูอาจจะนึกได้ว่าเออเราลืมของไว้ในที่ใดที่หนึ่ง หืออาจจะนึกได้ว่าเอาเรามานีา่คนที่เราเป็นห่วงเลิมฝากการดูแลไว้หรือว่าเราอาจจะกลับขั้นเกินเวลาที่จะแน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ประสบอันตรายเราก็กำหนดจิตนั่งสมาธิแล้วก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกลับไปไปสวมก่อน ลุกสวมกอดพ่อแม่หรือไปนั่งอยู่ข้างขางหรือไปเดินรอบบ้านไปยืนแผ่พลังอยู่ที่ประตูบ้านหรือเข้าไปในห้องแผ่พลังที่ประตูห้องหรือไปสัมผัสถูกต้องตัวครับหรือเหมือนว่าเราได้ไปพูดกับเขาโดยเมตตาจิตภาพยิ่งชัดยิ่งจริงจังยิ่งมีผลมัน นี่ลราเป็นจะเป็นวิธีการที่เราจะาอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นได้ได้อย่างช น, นิดที่ไม่ต้องพึ่งเทศสะแล้วก็เกิดผลจริงๆเกิดผลจริงๆคนกวนกระวายคิดถึงเราในเราทําให้ก็ไม่คิดถึงละให้เขาอยู่เย็นไม่คิดถึงละสิ่งเหล่านี้ ผู้แนะนำได้ประสบเหตุประสบการส่วนตัวมาท้าแล้วซ้าอีกจนจนชัดเจนแน่นอนก็จะมีวิธีการฝึกจริงๆเนี่ยแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยเราจะใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่จบ ง, ง่ายๆนี่ก็เป็นเพียงเรื่องต้นที่จะทำให้ท่านเห็นวิธีการที่จะทำได้อย่างไรอย่างไรนะ หรือแม้ว่าเราจะไปทำความเข้าใจกับใครสักคนหนึงเนี่ยเราอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนความคิดหรือต้องการจะทำเยรจาให้เกิดความเข้าใจเนื่องที่ไอการยกหูวโทรศัพท์หรือไปโกะ ป, ปากเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เรานั่งสมาธิแผ่เมตตาไปแล้วก็พูดในเมตตาหรือเหมือนเป็นถ้อยคำที่อ่อนหวานถ้อยคำที่ประกอบด้วยเมตตา หรือทำความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังไปเจรจ า, าเขาพูดเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นด้วยให้เขาปเปลี่ยนทัศนคติก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เกิดผลขึ้นได้จริงๆอยู่ในวิสัยที่เราทั้งหลายสามารถจะฝึกได้ที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพลังของเมตตาจึงไม่แปลกเลยที่เรียกว่าเมตตานั้น แต่ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ของอานมนุษย์ในอนิสงส์ก็เมตตาป้องกันอุบัติอันตรายที่จะมาถึงตัวมาถึงทรัพย์สินมาถึงคนเป็นที่หลังสามารถทำได้ขอให้มาลองฝึกและลองปฏิบัติโดยลำดับกันต่อไปเนี่ยนะฮะนี่ทั้งหมดนี้ผมพูดถึงวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการแผ่เมตตาหรือเพิ่มนพลังเมตตามีอะไรบ้างแล้วก็อาการส่งเมตตาไปส่งด้วย อ, อาการอย่างไรบ้างแต่และอย่างเหล่านี้เป็นปั่ข้อสังเกตที่ท่านให้ลองทำแบบได้รู้ว่าคืออะไร ครั้งนี้การนำสมาธิครั้งนี้ให้ทดลองทาใจตามดูอย่างแนะนำให้เกิดความเข้าใจตรงนั้นเป็นจุดํำคับหลังจากนี้ครับก็จะให้ท่านหลายที่อาจจะมีปัญหาที่อยากจะทักถามพูดคุยให้ทักถามพูดคุย ไปแค่นี้ก่อนเราพักช่วงกันสักครู่ในการกรุบกริบ ก, ก, ก, ก, ก, กันเสร็จแล้วก็จะได้ฝึกทิ้งท้ายก่อนจะกลับบ้านกันอีกสักทีเอาไม่ถามปูงงถามก็แล้วกันะมีใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสมาที่เลยตั้งแต่เกิดมาจากน้องพอ่อต้องแม่จริงไหมไม่เคยนะก็ไคหลับตาไนดะ้ไม่รู้สมาที่เป็นไรแสดงว่าเคยทุกคน เคยมากเคยน้อยต่างกันเอาละเคยก็ดีแล้วนะมีใครบ้างที่ไม่เคยแผ่เมตตาเลยจะ่ด้วยแผ่ในเชิงพิธีกรรมพิธีการทางกายภาพมาทำเจตต า, างมีหรือไม่ไม่มีอ่ะขออนุโมทนานเรื่องที่สองแล้วก็มีใครบ้างที่แผ่เมตตาแล้ว แปรที่ที่แล้วอาจะแปรในลักงณะตางไม่รู้ว่าเมตตาเป็นไงไม่รู้ว่ามีใช่ไหมอ่าไม่รู้ว่าแปรเป็นไงอ่าไม่รู้ว่าเมตตาเป็นไงอ่าไอตรงนี้นะผมไอแปรยังไงนั่นึหมือได้ว่าไม่เข้าใจว่าเมตตาเป็นไงคือถ้าไม่ฝุกเนี่ยมันมันก็จับไม่ที่จริงเเราก็มีเมตตาทุกคนนะครับแต่ว่าเราไม่ไดเอามาใช้ในลักษณะแป่แล้วก็ไม่ได้ว่าเราเราก็มี มีการแผ่อยู่โดยปริยายในชีวิตเราเหมือนกันนะว่าเราไปเจอใครแล้วนึกรักนกเอ็นดูนะฮะมันก็เป็นลักษณะของเมตตาเหมือนกันแต่เพียงว่ามันไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เป็นทางการเหมือนอย่างเราหลับตา่ผมเนี่ยก็ฝึกสมาธิแบบแผ่เมตตา ม, มาตั้งแต่สมยัยแรกๆเราเราปีสองพันหรอยสิบสามะที่ ท, ที่รู้จักทำทำนี่ก็ไม่ได้มีครูบ า, าอจะอาศัยนั ง, ยงกเสกันตบ แล้วก็ม า, าอาานหรสอนธรรมะเีื่อก็ทำทีแรกก็ไม่รู้อะก็ท่องคำแผลเมตตามาท่องท่องไม่รู้กอแผลเมตตาแล้วก็ในหนังสือสมองก็กแผ่แล้วมันมีเอ๊ะทำไมเราท่องท่องเรไม่เห็นเกิด อ, อะไรขึ้นฮะะะะคือวิธีเนี่ยมันสามารถคลิกแปงได้ัอีค่ะเป็นนันมากนะ ผมก็จะแนะนำเท่าที่มันเป็นประสบการณ์ผมะน ะ, ะ, ะแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่จะแนะนำเนี่ยไม่น่าจะมีใครเคยสอนนะในลักษณะอย่างสอนทั้งในแง่ถุประสงค์ในแงแ่อะไรตา่างๆอย่างเป็นเชิงปฏิบัติจะไม่ไม่อาศัยตำร า, ามาสอนนะเมตตาในวิสุทธิมรรคเนี่ยเราก็รู้อยู่สาหรับคนที่คุณเรื่องนี้แต่นี่จะจะ เอาภาคปฏิบัติแล้วให้เราเนี่ยเอาไปทําให้เกิดผลจริงๆเกิดผลมากเกิดผลน้อ ย, ยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะทำมาจนมั่นใจว่าเกิดผลแลเราคิดเองไม่น่าทําได้ไงต้องการต้องการเงินแผ่เมตตาเงินมากรนะเมตตาพูดพูดแล้วเดี๋ยวโลกแต่มันมีวิธีต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เหมือนกับแผ่อะไร มันมีวิธีแล้วก็เราเราแผ่ไปอย่างบริสุทธินะ์และไม่ไใจลบเลยนะและไม่ต้องบังคับเลยแล้วก็มาแบบได้ประโยชน์ทั้งคู่แบบแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายช่วยเราเนี่ยกับเขาก็ได้ประโยชน์บางอย่างในลักษณะบางทีเราเขากับได้ประโยชน์จากเรามากกว่าที่เราได้ประโยชน์จากเขานะทีนี้ที่เรื่องอย่างเนี้ยประสบการณ์ที่เล่ามากก็ไม่ดีอะอ่าแต่ว่าก็จะจะเล่าแล้วหลายคนที่เอาไปใช้เนี่ย ก็ก็ยืนยันมาหลายๆคนนะแต่บางคนก็ทำได้ดีกว่าผมเองคนแนะนำเพราะว่าโดยลำดับถัดมาแล้วสมาธิจิตท่านดีกว่าคือคนที่ทะเลาะกันพูดกันไม่เลิกสามารถจะแผลให้มาหงอได้มันจะันมากเลยจะไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศท่ันสะ่งเมตตาไปแล้วนะโหกลายเป็นเป็นคู่ค้าพิเศษเลยไม่ไม่เวลานะไม่แยกเ เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราต้องชั่งน้ําหนักเราระวังอกําลังของปัญหากําลังทำที่เรามีนะเราเองต้องมีหน้าที่เพิ่มกําลังครับเพราะว่าไอ้ไอความขัดแย้งบางที่แค่ขอโทษทีเดียวหลุดลก็มีอย่างนี้แล้วกําลังมันไม่น้อยไอ้มันไม่มากมันน้อยถ้ากําลังแรงเราต้องเพิ่มพลังเพิ่มพลังมากๆเนี่ยเออมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลง่ด้ เป็นตัวประสานถ้าต่างคนต่างแผลก็จะเป็นตัวประสานได้อย่างดีถ้าเราเป็นคนกลางในสบายนะ่ะมั่กลางเจราจายคนหนึ่งเขแนะนํา่าแสลเมตตาคนนี้แผลเมตตาสิแล้วให้ข้อมูลในทางดีหาทางออกที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างง่ายเลยคนกลางเจราจายอยู่แล้วก็แผลเมตตาให้กั น, ก ต, นต่างคนต่างแผลมู้ก็ภูมิใจเมตตาเราอยู่ัป็นหลักที่ฝ่ายก็เมตตาเราเป็นหลังเลยดีทั้งคู่อ่ะ แล้วก็เคลียปัญหาเนี่ยมนหลายหลาอยา่างด้วเมตตาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากอามนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิด จ, จ, จากเจ้ากรรมในเวร น, นี่ไงนะเมตตาจะเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็ใส่อะไรลงไปให้เมตตามีพลงังเมตตาเอามีอํานาจมากขึ้นหรือเมตตานั้นปรากฏชัดแก่บุคคลนั้นมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายในเรื่องนี้ทําได้ อ, อแต่ว่าขณะนี้ทุกคนรู้จักว่าเมตตาเป็นไงแล้วนะของคนรูได้นะต่อเมตตามันมันเป็นอย่างเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็เป็นอะไรเอออ่าใช่ใช่ใช่ใช่ความรักก็ถึงบอกว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะอีกขั้นหนึ่งว่า เ, เรียกว่าลําดับการฝึกเนี่ยว่าเราจะแผล ใ, ใคก่อนก็มีลําดับอันนี้เป็นเรื่องของตำราแต่เป็นเรื่องของของเวลาเราแผลจริงๆก็ต้องมอาศัยตำราต้องอาศัยตัวเองเป็นที่ตั้งนะคือเมตตาจะเกิดก็อาศัยความผูกพันอาศัยอุปาทานอาศัยความรักเนี่ยนะเป็นเชื้ออาศัยพอเมตตาเกิดแล้วเมตตาจะเสียก็เสียได้ไอ้ความรักความผูกพันเหมือนกันเขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยใกล้เมตตา ใกล้เมื่อเราจะสร้างเมตตาอาศัยตัณหาเป็นเชือ้อพะพอเมตตาเกิดขึ้นแล้วตัณหาจะเสียเสิยทิ้เมตตาจะเสียเสียที่ตัณหาอีกคือเราไปเห็นแก่ตัวไปเห็นแก่ทําไปทํามาผมถึงบอกนะเมื่อเมื่อสองสาวันนะี่บอกว่าบางคนเนะี่ยแผลเมตตาแล้วมันช้ำเลือดช้ำหนองคือพูดอย่างเนี้ยคนเจ้าปัญหารู้พ่อะรักสมาธิดีแผลเมตตาเก่ง แต่มันเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นผู้มุกแล้วว่าเดี๋ยวปัญหาใหม่แหละเพราะอะไรหลวงพ่บอกว่าเมตตาที่แผลเนี่ยต้องทําความถูกต้องให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานด้วยถ้าเรายังเอาเปรียบก็อยู่แต่ไว้เข้าสมาธิแต่เมตตาเดี๋ยวว่าไอ้กรรมมันตามล้างนะเขาก็สงบได้ไปเดี๋ยวกระดาวเดี๋ยวเราก็ไปทํากรรมใหม่ไปโกงก็อีก ที่โกมาแล้วก็ไมทําให้เรียบร้อยไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแผลเท่าไหร่เท่าไหร่แก็เดี๋ยวก็ดีดกลับปัญหาเข้ามากวดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถ้าถ้าทําไปทํำมามันจะกลายเป็นเรื่องใช้พลังทางหลังให้ใช้พลังทางกลังเนี่ยไม่ที่สุดแล้วพลังถูกทําลายกพอะไรเพราะว่าเขาจะไม่คํานึงถึงการสร้างรากฐานศีลไม่บริสุทธิ์จะง่ายนะศีลไม่บริสุทธิ์ คือไม่จริงจริงใช้แต่พลังที่จะเอาเปรียบแต่เมตตาจริงๆเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างให้ดีแล้วเมตตาจะมีพลังมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเ<ม>ช่นเราจะได้ฆ่าให้บอก<ม>เออไม่ยอม่อไม่ฆ่าซะดีมามตัดเอตัตาแต่เมตตาไมา่มให้ยิงซะดีๆไม่ให้ฆ่าซะดีๆ<ม> อ, อ, อย่างนี้มันจะมันจะได้ยังไงล่ะ ถ้าเป็นสัตว์มันก็ละแว้มันมาแล้เหยื่อมาแล้เอาเมตตาเป็นเหยื่อหรอมันก็ทำเลี้ยงเต็มหนองลูกี่ลูกคนพราะไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาที่จะว่าจะตอไปเนี่ยไม่ใช่เมตตาแผ่เพื่อจะเอาคนแผ่จะเพื่อประษาคนเพื่อใช้ภาษาผลประโยชน์แผ่ประสานผลประโยชน์เพราะว่า้ ใครเขาให้เรานะเขาต้องได้ผลประโยชน์บางอย่างนะจะให้จะสัมพันธ์กันในมุมใดก็ตามเขาต้องได้ผลประโยชน์บางอย่างไอ้ผลประโยชน์เราจะนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าเราก็ต้องนึกแผลไว้เนี่ยนะให้ธรรมะมันจัดผลประโยชน์ให้ประสานกันเองมันก็จะออกมาดิอย่างพละเนี่ยยกตัวอย่างล ะ, ะเวลาแผ่เมตตาอขอความเจริญรุ่ใเรืองในกิจที่พระท่านจะตังะต้องอะไรบักอย่างนะพระเก่งๆท่านจะแผ แผ่ไปแค่เรื่องบุญนี้เป็นของใครนะเหมือนพระจะออกนิโรธสมาบัติบุญนี้เป็นของใครขอให้คนนั้นได้ทำบุญไม่ใช่ว่าเราจะสร้างบสถ์ใครน่าจะเป็นเหยื่อเราใครจะเป็นเหยื่อสมอง <c oughs> แล้วก็ไปทำํำไปเรารู้สึกเขาไม่ได้อะไรนะเขาบริจาคแล้วก็ต้องมีความทุกข์ใจเป็นอกุศลก็ใจเป็นอกุศลวศีบากมันก็ไม่แรงกลายเป็น ไปเอาแล้วเอาเปรียบเขาไม่ดีอย่นี้ก็ไม่ดีอันเนอพวกพระดีๆแม้มันจะเป็นครูบาสรีวิชัยหรือหลายๆท่านเนี่ยนะท่านทำแบบนี้และยิ่งแพเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโง่เพื่อนมากประสานผลไม่เยอะก็ได้มากเพราะไอเราเองเนี่ยบางทีเรามีพลังบางอย่างที่คนบางคนน่ยก็จะได้จากเราแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้ ไอเราเนื้อเขเออเราจะไปขอเขาเยอเขาไม่ได้อะไรจากเราเลยคือไอบางคนอาจจะไม่ได้แต่คนที่เขาจะเข้ามานะขนาดเชื่อมประสานควประโยชน์เนี่ยมีเราต้องใช้วิธีให้ธรรมะเขาเลือกมาบางทีไอเราเลือกเองด้วยด้วยข้อมูลทางความคิดเนี่ยมันมันอาจจะพลาดได้หรือบางทีใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันข้อมูลทางความคิดหรือบางทีก็ไอข้อมูลทางทางความคิดทางไอสิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยเห็นกับตาเนี่ย มันมีให้เลือกสามเราก็ไม่รู้จะเลือกใครดีเอเจมันนั่งรักปีกได้น้องเขาตก็ต้องแผลงว่าใครนะให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อที่เลือกซื้ออะไรผมไม่ใช้วิธีบางทีมันไม่รู้นะบางทีคนเชียเนี่ยเชีอย่างมีข้อมูลไปอย่างต่เวลาเราหลับตาแผลอยู่แล้วเนี่ยมันพุ่งตีข้างเนี่ยนะมันก็ก็ต้องเชื่อเราก็ต้องเชื่อใจ เชื่อใจว่าต้องอย่างนี้แต่คงถึงสอนแล้งแม่ก็ต้องเลือกคู่ร้องเลือกใครตัดใครทาได้หมดเกิดเพื่อนร่วมงานเรารับสมัครบคนมาช่วยทำงานมีสองคนจะเลือกใครดีอะไรอย่างนี้นะก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วจะจ ะ, จะเป็นตัวกันกล่องที่ดีเนี่ยก็จะได้ไปแนะนําลูกหลานแนะนําใครตัดใครด้วยแล้วก็ไปฝุกใช้เอง จะทำให้ชีวิตเรามีปัญหนาน้อยลงอ้าไม่มีอะไรถามเลยเหทาสาในารยากรใ้่าถากลมากลในทางจะจะออกอ๋อจริงๆเนี่ยไกลโดยโดยมันมีไกลโดยระยะทางกับไกลโดยทางความรู้สึก บอกว่าคนไกลแม้อยู่อาํานวนโบราณคนใกล้ก็เหมือนคนไกลอมีคำปลอบๆเป็นคําำเหมืออมันอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้นะใกล้ความรู้สึกอันนี้ก็เรียกใกล้ใกล้ในทางความรู้สึกถ้าจะพูดถึงในแง่ของอ่ผลในทางการฝุกกิจ คนใกล้ในทางรู้สึกเนี้ต้องเอามาก่อนแต่อย่างตัวตัวนี้่ก็จะให้ลองฝึกดูเหมือนกันแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วก่อนว่าเราจะแผ่ให้ใครก่อนแล้วลำดับคนเนี่ยเราจะลำดับแบบไหนแบบไหนนะฮะไอ้ตรงนี้อาจจะเปล่ยนควาหน่าลำดับถ้าเราแผ่กันอยู่ตัวเนะี่มดว่าเราเหมือนยังผมไปไปเข้ากรรมาฐานแต่กลางเนี่ยก็ ก็จะแผ่เมตตาให้กับคนที่รักใคร่กันในเกื้อกูลเนียเวลาเราแผ่แต่ละโอกาสแต่ละหนเนี่ยบางทีใครโผกําหนดจิตไว้เนี่ยใครก่อนเนี่ยก็จะโผม่บางทีมันไม่ใช่ลําดับอย่างที่เราจัดคิวไว้ในใจนะโผรขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าใครควรแผ่ก่อนเพราะตอนนั้นแปล ว, ว่าเราพร้อมที่จะให้ดูคนเท่ากันเราไม่ต้องการการฝุดแบบเราต้องการการที่จะให้ใครมาล่ะ แก็โรลบางคนเนี่ยคนที่น่าให้ทีหลังมาก่อนนะก็เพราะมันมีเหตุผลบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นเหมือนเมือม่อเมือม่อวานเนี่ยเมือมอม่อผมเพิ่งมาจากจากศรีลังกาเมษายนถึงมาเช้าหกโมแก็ไม่ได้หลับแน่นอนนี่ก็ก็ไปก็คุยธรรมะอะไรกันมีคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาแพ้เมตาย พ่อกับแม่เนี่ยนะเขาจะแผลให้กับแม่ก่อนทุกทีเลยมาพ่อที่หลังเพราะว่าพ่อนี่ยแม่ไม่ใค่อชะตาไม่ค่อต้องกันเลยผมเอ้ยเจ๊ก็รู้หมดว่าใครมีคนมีเจ๊เสียงแต่แม่เนี่ยเอาละไข้ปูพัดก็แผลก่อนถึงแม้ว่าจะเอาใจใส่มากกว่านั้นแต่พอเราพอไปอยู่ที่ไปอยู่นานๆแค่นนเนี่ย แพอที่หลังเขาจะไม่แผนไม่้ายอนี่พอ่มพอมาก่อนแล้วก็เลยมันเลือดทําไมปไปเนย่ยนะก็ได้คำตอบเลยผมจะเล่าตอนเดียเกิดเขามาฟังเพลิก็ได้เขาอ่าก็ขออนุญาตเล่าตามโลดนะคือม่ได้คำตอบมาที่พ่อต้องมีพุ ต, ติกรรมอย่างนั้นนะที่พูดจาพุวนๆเลยนะเพราะข้างฝ่ายแม่ ไปสุกเก็ตจีเนะี่ยก็เลยตัวก็เลยรู้อ๋อเออเราก็รู้สุกอย่างนี้กับแม่เหมือนกันนะแม่ไปทํากับพ่อพ อ, อเรามาเจอเองอย่างเงี้ยนะกับแม่แล้วก็เข็ญใจพ่อก็ได้คําตอบอ๋อเราที่เราแผ้เมตตาให้กับพ่อก่อนตอนหลังเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเบื้องลึกธรรมะมันเป็นตัวเสนอมาให้ควรจะให้ใครก่อนโดยเนื้อลึกๆลกแล้วใครดีกว่ากันนะใครเป็นตัวปัญหา ในทางลึกเมื่อก่อนแล้วแผ่แผ่แผตามความรู้สึกการตื่นนี่ก็แผ่ไปตามอย่างนั้นหรือเหมือนคนเนี้ยคนสมมติว่าคนสา ม, มนคนคนนี้โอ้รู้จักแต่มาเป็นสิบปีคนนี้เพิ่งรู้จักเดือนหรือเพิ่งรู้จักเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะทําไมมีพลังต่อความรู้สึกเรามากกว่าหะคําตอบไม่ไดนะ้แต่ว่าพออยู่ในสมาธิซึ่งลูกองนี่เขาเรียกว่าใกล้โดยโด ย, โด ย, โดยบุพกาธิการ ที่จะต้องเกื้อกูลถึงมาก่อนไอ้คนคบกันตั้งนานแต่ว่ารู้จักนานนานคือนานในชาตินี้แต่ว่าไอ้ความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเคลื่อหนุนกันจะ ม, มีน้อยหรือว่าเนื้อแท้ของคนสองคนคนคนี้เขามีพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อกันนี่มากกว่าถึงปรากฏใ น, น, นพวกพระในเวลาท่านเวลาท่านคบรบศีลหรือเกี่ยวข้องกับติบุกมื่พูดเรืงทราบทราปฏิบัตินีน ก็จะขึ้นคนที่เคยงยจะขึ้นเราเรียกว่าขึ้นบางคนไม่ขึ้นวันนี้นี่เรียกว่าแผ่โดยคนแล้วก็แผลโดยทิศแผลแผ่โดยทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศทั้งสิบนะแผ่โดยภูมิเป็นีแ้แผ่ไปตามลำดับภูมิ แล้วก็แผลไปตามระยะทางก็แผลได้ทั้งหมดระยะทางใกล้ไกลแต่และโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะแผลได้ตา่างโอกาสกันไปถ้าไมถามนี่ <c oughs> ก็แชได้ให้น้าต่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องใช้เลยค่ะ <c oughs> ไม่คึงอันนี้ไม่ใช่คาห้ามนะเพราะ คำท่องเนี่ยบางพอถึงทุกขั้นลึกแล้วมันเป็นตัวถ่วงตัวทําลายความรู้สึกนะมันก็เพราะว่าคําท่องในพรใช้เป็นสื่อเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าในทางลึกลต่อไปเนี่ยจะไม่ไม่มีผลเลยแต่จะใช้บ้างเนี่ยพูดถึงว่าอย่างกรณีที่ผมใช้บางทีเนี่ยเราไปเอาคาถาเอาพุทธภาสิทอื่นมาใช้กับการแผ่เมตตาในลักษณะเรือกแผ่แล้วก็หลับตาแล้วปลุกเสร โลกเสร้ อ, อดิค่ะพูดว่าเราเราแพรให้คนเนี่ยนะที่หววที่ว่าหัวอันตรายมันไปอยู่ในดงอันตรายแพรแล้วก็แพรเสร็จแล้วก็พ่องคาถาเอาคาถาอมาทีว่ว่ า, าบบว่าเอ่อนะโมโปติสตุอกันติมายะอิติละกวาให้ของพุทธเจแสงสว่างเราไปตามเารื่องหรือแพรเอาคาถามงกลพระพุทธเจ้านะฮะ ดิเ ศ, เ ศ, เ ศ, เศา น, าเนตอก็ได้หรืออาจจะใช้คำอื่นๆที่เราเราเรู้เองว่าคำไหน ถ, ถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับข้อธรรมหรือพุธทธปาฏิจาเยอะๆนะบางทีก็เขาเราห่วงว่านี่เขาเขาจะต้องวุ่นวายเขาจะต้องกังวลใจเราก็อยากจะให้เขาเยน็นล้วก็ใช้คาถา <c oughs> นิพพานังปรามังสันตินิพพามนังปรามังสันติอะ น, น, นะทาท่าหรือจะทําในใจก็ได้นิพพานังปรามังสันติคือให้เขาหายกระบวนการวายอย่างคนที่คิดใจเข้าหมองเราร้อนเนี่ยก็ใช้กระถ่ายอยางนี้หรือคนที่เราอยากจะให้เขาปรับนิสัยก็นิดหนึ่งนะที่เขาแสดงออกทางทายทา ง, ทางวาจาค่อนข้างจะไม่เคยดีเราก็ <c oughs> กายโสเชยะ แล้วกายสะอาดเป็นผู้ศริทธ์ปีชีสวยเจยยมนโนสวยเจยยนะท่องแล้วแล้วเราเลาเข้าไปเพื่ออาศัยเป็นเป็นเครื่องช่วยในทางพลังอะไรอย่างนี้นะฮะก็เราแล้วแต่เราจะพลิกแปลงได้อีกเป็นหลายอย่าง <c oughs> เราเนี่ยมีทุนของความพร้อมทางกิตแค่ไหนให้ทําให้เป็นนิสัยไว้นะมีพลังน้อยแล้วก็ทําทได้ผลน้อยก็ถือว่าฝึกเพิ่มพลังให้มีมากขึ้นแต่ถ้าเราจะหวังผลอ่นะนี่เป็นว่าถ้าขั้นสุดนี้มันควรทําแล้วก็ไม่หวังผลมากนะ <c oughs> แต่ถ้าจะหวังผลแม้ว่าคนจะเป็นสมาธิแล้วเนี่ยผลงก็มาจะแนะนําหรือแม้แต่ว่าจะใช้เองเนี่ยก็จะ ไปเก็บตัวเข้ากรรมฐ า, านนะต่อภารกิจสำคัญที่เราจะใช้เมตตาเรามาช่วยเนี่ยเพราะตอนอยู่นั้นจะแรงมากจะรุนแรงมากนั้นเราถ้าเราจะหวังผลก็หาโอกาสไปเข้าสมาธิสัก10วันหรือถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะเรื่องชะตาตามเรื่องชะตายีวิตด้ยแรงเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปบวช ส, สักเดือนสามเดือนแล้วแต่ ว, ว่าบวชปฏิบัต แล้วก็ใช้พลังที่เราได้จากการฝึกสมาธิมาปวดเกรื่องปัญหา <c oughs> แผ่ให้ตัวเองได้แผ่ให้ตัวเองได้แล้วก็ควรแผ่แล้วต้องแผ่เสมอแผ่สาหรับการฝึกเนี่ยยิ่งจำเป็นต้องแผ่แต่ว่าถ้าคนลอยตัวแล้วเนี่ยจะแผ่ไปตามความจำเป็นของเมตตาถ้าจะแผ่เพื่อแก้ปัญหนานะ ใช <c oughs> นเลยฮะพอแพ้ได้ทุกแพ่ได้ทุกอย่างเลยจะเกี่ย <แ S 1> ข้อเนี่ยไม่สำคัญให้เรายิ่งทำนานยิ่งดียิ่งทำนานยิ่งดีเพราะไอเราแพ่มากไปเนี่ยมันถ้าเรามุ่งในทางฝึกเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังเมตตาให้มันแรงขึ้น เนี่ยให้แพ่จากความจริงใจนะถ้าแผ่ไม่จริงใจหรือว่าเป็นเรื่องหลอกตัวเองและธรรมะไม่เกิดจริงอย่างว่านิพานนางปจินิพานหน้าปจิโยตุนี่นิพานมาไม่เอานิพานหน้าปจิโยตุนี่ไม่จริงใจแต่สิ่งที่เราจะจริงใจคือสิ่งที่เป็นความต้องการใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละเราจะจริงใจเพียงแต่วเรา บําบาต้องเสนอความต้องการนั้นด้วยวิธีทำมะให้บุญเข้าไปช่วยทีนี้ถ้าถามว่าเป็นความโลภไหมบอกเป็นความโลภที่ชอบทำแล้วก็ถ้าถ้าภูมิทําเราสูงขึ้นเนี่ยนะไอ้เมตตาก็สูงขึ้นคือไอ้คนนี่มันก้าวกระโดดไม่ได้หรอกครับแล้วไปสอนเด็กเนี่ยเลยแผลเมตตาเออยังเด็กอยู่เลยบอกว่า ให้ยางงูย่างนี้น่อย่างเป็นความต้องการขัวใหญ่ก็แผ่ไป่ออกนะแต่ไม่ตายตัวเองออกของแฝงได้ทุกกระตุน้นทุกกระตาไปให้ได้ใะ่ไหมเยอะๆไปยังนี้ก็แผ่ออกแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราต้องค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตามลําดับบางทีเราอยู่สูงบางทีไอ้ความจํานงหวังหรือปัญหาเนี่ยเบื้องต้นเรามีใช่ไหมฮไม่ใช่ว่าเราปรุงทําสูงแล้วปัญหาเบื้องต้นเราจะหมดเราก็ิ่งต้องแก่ ถามว่าคนธรรมะสูงเงินขาดเมีได้ไหมตอนนี้ยิ่งง่ายเลยเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันก็คือปัญหาเบือนน้องต้นหรือคนมีธรรมะสูงโอกาสที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ไหมได้มันก็เป็นปัญหาทางกายภาพเบือนน้องต้นฮะได้ทั้งนั้นเลยครับแลวถือว่าดีด้วยนะ เขาเรียกว่าแผ่เมตตามันมีเมตตาแบบอยู่ในสีมากับไม่มีสีมาสีมาเนี่แปลว่าพรมแดนสีมามันพัทสีมาแปลว่าเขตแดนของโบสถ์เราเรียกใ้กับโบสถ์นะแต่ตัวภาษาหมายถึงแดนอะไรก็ได้คนที่แผ่เมตตาในขอบเขตจํากัดแสดงก่าพลังเมตตาน้อยถ้าแผ่เมตตาอย่างไม่จํากัด เ, เชื้อชาติศาสนาไม่จํากัด อ, อความเกี่ยวข้องผูกพันหรือเป็นเมตตาชั้นสูง ก็ น, นั่นเองผมผมก็อธิบายมาในตอนต้นมาเริ่อนมาที่หลักว่าการแผ่เมตตาเนี่ยใช้อะไรเป็นเป็นเครื่องเพิ่มพลังเมตตาที่มีพลังประสมเยอะนี่ก็จะยิ่งแรง มีใครที่แส่เมตตาทุกวันมางไหมมีใช่ไหมมีใครที่แผ่เมตา ต, ามมมมเมตาเป็นปกปติไห่อยเจออะไรก็มักจะนึกแส่เมตตาอยู่เรื่อยอแล้วก็สาาทั้ดีเฮ็ดีแล้วก็คนมีเมตตาเนะี่ยน่าจะพอนะน่าจะพอ้อมีเมตตาเยอะๆคืเอเมตตามเข้าไปสู่เนือหนังบางส่าลักษณะตรงที่นะ ค็ผลเยอะนผะลเยอะเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ไม่บังเอิญเรายังไม่ได้บรรยายอาจจะไปเก็บประมวลบรรยายหลังจากที่ภาคฝึกผู้ผ่านไปแล้วเพราะเมตตานี่มันมีผลแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยอที่เราฝึกว่าใช้เมตตาเพื่ออะไรนะั่นก็คือในแง่ผลในแง่ผลที่จะเกิดขึ้นอถึงนี้ว่าเมตาตาป้องกันอาตราวุตป้องกันอันตรายยาพิษต่างๆได้ได้จริงนะป๋ ชักไม่แน่ใจอีกไ mm hmm. หมยก็บอกว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างในบางคนแต่ที่ท่านพูดเนี่ยท่านนี่ใช้เมตตาเจโตวิมุตคือเมตตาที่สมาธิถึงขั้นอาปนาแล้วก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดับพิษไ ด, ด, ด, ด้ดับพิษน้ำกรดดับพิษยาพิษได้จริงๆแล้วก็ให้พวกสารุธเนี่ยป้องกันได้ จริงๆนี่ถ้าขั้นสมาธิเราเรียกว่าเต็มรา้อยขั้นฌานเต็มร้อยแต่ถ้าเป็นขั้นหย่อนลงมาเนี่ยมันก็แล้วแต่จังหวะของสมาธิตอนนั้นไอ้แรงทานกรรมถ้าคนไหนก็มีกรรมต้องก่อขา บ, บาตายก็อาจจะทานไม่ค่อยอยู่นะทําไม่ถึงขั้นขั้นอั ป, ปนานะอย่างอย่างเราเนี่ยก็อ่าอย่างเราละธรรมก็พอได้บ้างพอได้บ้างไอ้คนที่ จะมาทำร้ายเราเนี่ยเมตตาจะจะเป็นเครื่องแก้ที่ดีที่สุดคนคนโทสะเฉลิตเนี่ยจริงแพ้คนมีเมตตาเสมอไม่ว่าที่ไหนสังเกตไหมคนที่มีเย็นเนี่ยคนร่อนจะแพ้ ว่าทาให้มันมัน แ, แ, แล้วแต่เราจะแฝงแบบไหนได้นะถ้าแผงเพื่อถอนอความปูกเวนะสารฤทึกแ์แฝงพระที่สูงส้นเนี่ยเอ่ยชื่อจะทําให้เกิดการสืร่อความหมายแก่ผู้ตายนะหรือแม้ผู้ไม่ตายก็จะรัไม่เจตนาแล้วนะพุ่งทรงไปที่คนนั้นว่าคนหน้าตานี้ที่เราเนกถึงอยู่ชื่อและนามตุะกูล น, นี้ไอ้ไอ้นี้ก็ก็แหลว่าว่าถ้าจะแฝงไม่แฝกุศลเหมือนอย่างถ้าใครไปฟังการอภินิพันจะมีคนหนึ่งชื่อคุณชัน ผมก็ก็วันนั้นคุยกันก็เล่าให้ทีมชมฟังไปนะแต่จะเล่าให้ฟังที่นี่สิแกป่วยหมอตั้งสามโรงพยาบาลจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วรักษาไม่หายนี่เรามาปฏิบัติธรรมาก็ปวดเยอะนะเอ้ก็ชีนิตมันทำสมาทีมันได้ข้อมูลไอ้ดียกล้องเอ็กซเรย์ใช้ยังไม่ถึง คือร ล, ลึกได้วะตัวบนะุญชัน้นเนี่ยเคยไปฆ่าปูไอ้ปูที่เขาหมัดเเลือกหมัดโดยแม่ผัวเนี่ยสั่งให้ฆ่าเพื่อจะไปทำบุญแช่ใช้บาเป็นทุนทำบุญใส่บาททีนี้แม่ผัวก็บอกว่าให้ตัวกรูโลกท้ายกันไม่รู้ไปจะทำไงให้มันตายแม่ผัวก็บอกว่าเอาเอาตะเกียบ ไอ้ไอ้ไม้แหลมแนะเรียกะไรครแทงหน้าอกมันตัวละสามทีสามทีตายสมราสนามแม่ผัวก็ลืเลยแล้วน่ะลืมสนิทเลยแม่อูแก่สามตัวก็เห็นมันเลยลรับเห็นสมาธิเห็นเลยมันพอปวดวักเ่ยพอทําสมาธิมันเชื่อมติดกันเลยอูโผลเห็นเป็นรอยเห็นการตายเห็นการแทงเห็นหน้าตาก็แผ่ทีแรกแค่ว่าแค่ก็แผลแผลไม่หายปวด แกต้องพูดในใจว่าขออุดทิศส่วนมุสมที่ทําทั้งหมดบุญที่ทําเนี่ยจอพร้อมทั้งขอโอโหสิ ด, ด้วยแกปูชนิกนี้สามตัวนี้ที่ได้ทํำในมาแล้วในตอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หายเป็นฤกษ์ทิ้งเลยยัางก็บเรื่องโอโไปดูคุณช้ น, กโกโกโกนี้องโอโผมไอ้ไอ้เจอมาเยอะเจอมาเยอะเออก็เลย ได้ได้ความสังเกตที่แน่ชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ก็ใช้อยู่เหมือนกันต้อ ง, งเอ่ยชื่อต้องเขียนชื่อเองนนะบางทีต้องเอาลูปมาต้องมาตั้งให้ให้ชัดเวลาที่เราเราเราจะแผ่เมตตาช่วยคนเป็นเองพกรูปไปด้วยพกรูปไปเวลาไปปฏิบัติผมผมทำบ่อย บางทีไปเจอพวกคนโดนเข้าโดนของโอ้โหเราจะตายด้วยเนี่ยหมอดี่ที่โรงพยาบาลนี่แหละทั้งคู่หมอทางคู่ว่าเรื่องแปลกมันเป็นประสบการณ์เขาเลยนะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเอารูปไปอธิฐานะโอ้โหเฮ้เกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิปวดแบบนี้มันปวดแบบเหมือนใครไปบิดกระดูกเข้าห้องพักยังปวดเลยอออ ปดนั่งอยู่ไม่ติดนอะรุ่นนั้นโดนคนข้างหลังลินทาเพราะข้าราชการสุเทพนั่งยุบไปเขาไม่รู้เราจะไปบอกใครก็ไม่ได้กับปวดเห้ก็เลยเนืเอทำใหมเลยเลยต้องหยุดแผลไปก่อนแล้วก็รูปเนี่ยเชื่อมันเอาไว้ในห้องนอนเนี่ยปวดเะให้น้ํามันทาผมทาจนะโอ้โหหมดขวดเลยนะปกติไม่ใช่ใช้อะ่ะน้ํามันที่ว่าให้มันน้ํามันเหลืองอะ่ะ อาอาอาเป็นหมดคนเลยต้องมาย้ายที่เออหายได้ฮะไม่ปวดอ่ะถ้าย้ายไปแต่เราไม่ยิ่งนะและ้วก็เ อ, อตอนที่เราสงสัยว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำมันแรงและสวสโมสจะมานั่งทําอยู่ก็ไม่ต้องทํากรรมฐานไปการแฝงเนี้ยตาเราแฝ่เ น, นี้ยขนาอ่าเป็นผลอพลอยอท้ายสโมสรก็รอดอ น, นึกได้หรือบางโอกาสนะนี่ก็เที่ยวนี้ก็มีอีกคน ใ่เป็นลูกชายเรียนมาอะไรลูกชายคนเดียวก็มีปัญหาให้ประเทศทานองนี้ไปไม่มีลูกมีเจ้ากับคนครอบครัวฉันตับนะฮะก็เดี๋ยวบางปอจะมีอันีพก็เอาลูกขอาเงินนอทองพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคนประสาก็ไม่รู้เป็นไงเพราะว่า ผมออกไปพ่อมาถาม2ี่ิบวันก็ก็เข้าให้รูป ก, ก็ไปช่วยแต่ไม่ได้ไปตุกเทียนี้ไม่ได้ดูแบบนักการิการนะเป็นโอกาสโอกาสก็เห็นโทรปาที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงม่ิดเจออันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งของเมตตาที่ใจนะก็ลองลองไปฝึกฝึกคตดูเนี่ยก็จะมีเรื่องแปลกๆที่มันเป็นประโยชน์ เเลือเชื่อแต่มันสาระมันไม่อยู่ที่เชื่อไม่เชื่อมันช่วยได้กันแล้วกันนะช่วยได้แก้ปัญหาได้กันนะมาดี ตายแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะฮะมันก็เราก็ไม่ปิดสีหรอกแต่ว่าถ้าเราปรารถนาจะทําเมตตาให้มันดีขึ้นไม่ไม่เป็นส่วนรับรู้สนหับรวยอ้อมเราก็ไม่ต้องไปกินนะ แ, แ, แต่คนกินก็ไม่ใช่ว่าจะบาปในีเมฆข้านะอ่าก็านี่ว่าเป็นหลักข้อค้าตอนเื้อมตน้น มาช้าไปนะไม่งั้นจะให้พูดแทนก็ได้เข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเพื่อให้เราเองเนี่ยางีเราก็ไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างนะชีวิตเราเนี่ยใครไข่แย่งที่เห็นตัวให้ไม่เห็นตัวเงี้ยมันมันเยอะเราถ้าเราเข้าใจพวก น, นี้ก็จะช่วยช่วยใช้ไอ้เทคโนโลยีทางคิดเนี่ย อินเทอร์เน็ตไปได้เขาลงฮะอ่าอ่าอ่าอนี้เป็นเป็นวิธีแบบธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องเขาธรรมะรว น, รวนๆเลยแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งการแก้ปัญหาอ่าเดี๋ยวเรา ทิฏฐิสมุทรสมตอนท้ายกันหน่อยกันะแผน่เมตตาแบบทิฏฐิสมุทรก็ประมาณ10นาทีเวลาที่เหลือเนี่ยนะ ท่นเคยสร้างพระพุทธรูปถวายวัดสักองค์เดียวตั้งสิบปีผ่านมาแล้วก็ถือเป็นบุญที่ท่านยินดีปรีดาปราโมทมากที่สุดก็เป็นบุญเด่นหรือเคยสร้างโบสถ์สร้างเมนหรือเคยตนนิบัติพระผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบที่ท่านประทับแใ่มากหรือเป็นบุญเด่นแต่ละคนก็จะมีแตกต่าง หรือการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เหมือนกันและบุญที่ท่านได้ทำก่อนหน้านี้เป็นบุญสดๆร้อนๆแม้ว่าจะไม่ใช่บุญเด็ดก็เป็นฐานะบุญที่ควรจะนึกถึงก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งที่หรือที่สองนี่อันหนึ่งและบุญที่ท่านทำแบบต่อเนื่องเป็นอาจินัก ร, รมัมแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆ บางทีก็เป็นบุญที่เป็นอาชีพของท่านหรือเป็นบุญที่ไม่ได้เป็นอาชีพเป็นใส่บาตรวันองค์ทุกวันหรือวันเว้นวันก็แล้วแต่หรือเป็นเจ้าภาพทอดกระถินผ้า ป, ป่าทุกปีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจินกำับที่ทำต่อเนื่องบุญเหล่านี้ สิ่งควรนึกถึงก่อนและจะมีผลปรากฏแก่ดวงจิตท่านชัดเจนมากถ้าเรามีเวลามากเราก็นึกถึงบุญอื่นๆถ้ามีเวลาน้อยก็อาจจะนึกรวมๆกันไปและขอให้อ้างถึงบุญเหล่านี้แหละที่เราได้ทำแล้ว และเราขอแผ่บุญนี้ด้วยเมตตาจิตให้บุญนี้แก่ผู้อื่นด้วยเมตตาจิตเราจะอธิษฐานหรือแผ่ให้กับตัวเองก่อนก็ได้ว่าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ที่ได้กล่าวมาขอให้พระพเจ้า จงพ้นจากปัญหาชีวิตการงานครอบครัวหรือสังคมหรือสุขภาพใดๆที่เป็นเรื่องที่ท่านต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วนหนึ่งเรื่องสองเรื่องหรือสามเรื่องขอให้อำนาจบุญ น, นี้จงสักใสไล่ส่งปัญหานี้ขจัดปัญหานี้ ออกไปจากชีวิตโดยสิ้นเชิงเด็ดขาดหรืออ่อนกำลังลงจนสลายหายไปในที่สุดถ้าท่านมีเวลา ท, ท่านสามารถจะนึกได้เป็นชั่วโมงชั่วโอธิษฐานได้เป็นชั่วโมงท่านจะได้ทั้งบุญใหม่คือสมาธิภาวนาและ พลังบุญเก่าและได้ใช้พลังสมาธิภาวนาในขณะนี้ประกอบด้วยพลังบุญขจัดปัดเป่าปัญหาชีวิตของท่านซึ่งจะดีวิเศษกว่าพลังอย่างอื่นทั้งหมดพลังอย่างอื่นของคนอื่นนั้นก็ช่วยบนพื้นฐานของพลังกู้สนพลังบุญของเราถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกู้สนเป็นพื้นฐานละขลังอย่างไรก็ช่วยได้ลาบาก และขอให้สิ่งที่ท่านประสงค์ต้องการอย่างเร่งด่วนอย่างเด่นชัดที่สุดขอให้สิ่งนั้นจงได้จงสำเร็จโดยรวดเร็วบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ่นเชิงในขณะที่อธิษฐานนั้น อย่าโลภให้อธิษฐานอย่างสันโดษและอย่างปล่อยวางสำเร็จเมื่อไรเราก็พร้อมจะหลอได้สำเร็จแค่ไหนเราก็ยินดีที่จะรับและไม่ระกลุ่มตะกลามที่จะต้องให้เกิดผลนั้นให้ได้ด้วยอำนาจของกิเลส เหมือนเราอธาิษฐานด้วยคิดสงบนิ่งเหมือนคนยิงแต่เราไม่ได้ยิงเชวา่าอธิษฐานแบบสำรวกเหมือนพระที่เราอยากจะทำบุญด้วยโชคชะตาในชีวิตเขาก็อยากจะเข้ามาหาคนที่มีอาการไม่มักได้ไม่ใจร้อนกับลากผลเช่นเดียวกันขอให้ท่านแผ่บุญของท่านเมตตาของท่าน คนทั้งที่เป็นมนุษย์หรือที่เป็นหนามนุษย์ที่อยู่ในอนาบริเวณนี้บริเวณธรรมสถานที่เป็นคนสำคัญของสถานที่แห่งนี้โดยลำดับโดยลำดับและทั้งหมดท่านจะรู้จักคุ้นเคยหรือไม่กระทผู้ที่มาใช้บริการในขณะนี้ ในชั่วโมงอื่นวันอื่นทั้งผู้มาให้บริการทั้งหมดทุกคนและทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นเทวดาทั้งที่เป็นผู้มีกายหยาบและกายละเอียดทั้งอยู่ในสุขติภูมิและอยู่ในทุขติภูมิขอให้ท่านสรงความคิดไปให้ทั่วบริเวณ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนสร้างสถาบันนี้สถานที่นี้ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนไม่ว่าท่านจะทำกาลละไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนก็ตามจะขอให้ท่านขยายความคิดของท่านออกไปยังนอกอาณาบริเวณของธรรมสถาน ทั่วมหาวิทยาลัยส่งความคิดความปรารถนานของท่านให้บุคคลเหล่าอื่นจงได้รับรู้ร้อมเพียงกันทั้งหมดจะรู้โดยตรงโดยรู้โดยออ ก, ก็ตาขอให้ได้รับบุญของเราทั่วกันทั้งหมด เมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ได้รับส่วนกุศลที่จะพึงปรากฏในรูปใดรูปหนึ่งมากหรือน้อยก็ตามยงปรากฏกุศลได้บากแก่ทุกคนขออุทิศ ส, ส่วนกุศลได้กับผู้มีส่วนสร้างทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้นจึงได้แก่พระมหากษัตริย์ แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์รัชกาลที่ห้าและที่หกที่มีอนุสาวรีย์อยู่ที่นั่นจงได้รับเมตตาของเรารับบุญของพวกเราทั้งสองเขาที่เราถวายเป็นเครื่องบูชาสการะขอให้ทรงคิดแผ่จิตคุมครอบไปให้ทั่วบริเวณ จิตเราแพ่ไปถึงไหน <c oughs> ขอให้บุคคลทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์จงได้สัมผัสกุศลจิตสัมผัสเมตตาจิตได้รับบุญกุศลของพวกเราทุกคนและพ้นจากอุปสรรคอันตลายทุกอย่างทุกประการที่ ท่านจะรู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ต า, ามที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ต า, ามให้ประสบสิ่งที่พิงปรารถนาที่ท่านตั้งใจอยู่รู้อยู่หรือสิ่งที่ควรปรารถนาเป็นประโยชน์เกือ้อกูลต่อท่านแม้ท่านไม่รู้อยู่ก็จงได้จงได้อย่างมั่นคงโดยทั่วกัน ทางโนยาที่นังโหตุสุกิตาโหตุยาทะยมขอบุญของข้าพเจ้าจงสําเร็จแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าโดยทั่วกันพอสมควรแก่เวลาวันนี้ปิดประชุมเพียงเท่านี้ครับเราก็จะอุทิศส่วนกุศลกันทุกครั้งนะหลังจาก กันีก